เมื่อวันพุธเป็ดเทศเพชรบุรีไปเจอโยมผู้ชยัยที่เป็นชาวนาที่ไปส่งกันบ้านบ้านจิตสบายาบ้านอยู่เมืองเพชรนิ่งครวนั้นแกส่งกันบ้านว่าแกออกจากบ้านมาเปิดประตูเห็นต้นไม้ต้นไม้ต้นเบลอเลยไม่มีน้ำหนักจิตมีน้ำหนักเขาก่อนนะ แกจะทำไงต่อให้กกไปแยกไล่ในร่างกายผมขนเร็บฟันหนังอะไรเนี่ยแกก็ามาส่งกันบ้านหนูน่ารักนะมีส่งกันบ้านมาที่นี่ไม่ไหวรอหลวงพ่อไปทาง น, น้นบอกดูผมนะผมก็าหายไปเลยสลายตัวหมดระเบิดหมดดูไล่ไล่ไ่เนดูเข้าไปส่วนไหนในร่างกายเนี่ย แตกหมดเลยจิตก็ว่างสว่างจะทำไงต่อก็ดูต่อไปผมเห็นแล้วกายไม่ใช่ตัวเราอะไรๆก็ไม่มีเราเลยเห็นอย่างนี้เราเออไปทำต่อไปจเกี่ยเดินปัญญาเยอะไปไหน่็ยระเบิดระเบิดนะไม่เข้าพักงั้นอย่างเดินปัญญาดูกายต้องทำสมาธิ สลับไปบอกแกเดินปัญญารวดเลยแล้วพลังสมาธิเก่ากันเยอะดูแล้วระเบิดผลแกดูกระทั่งทวารหนักนะร ะ, ระเบิดเครียวไปบรรยายคนตาค้างเลย <c oughs> ทําไงต่อทําสมาธิอีกหน่อยเดินปัญญาแล้วทําสมาธิกลับเข้ามา ก็าทำออกมาเดินปัญญาอีกนะซ้ำไปซ้ำมาจิตมันมีกำลังมากพอแล้วมันก็จะตัดง้นอย่างการพิจารณากายการดูกายนะมันไม่ใช่นั่งคิดเอามันต้องมีสมาธิดุนหลังนะแล้วมาดูกายกายสลายให้ดูต้องกายสลายให้ดูมันเป็นนิมิตนะ ยังไม่ขึ้นถึงขั้นเจริญปัญญาจริงยังไม่ใช่วิปัสนาจริงนี่พอทำสมาธิเข้ามาแล้วเนี่ยจิตมันจะมาเดินวิปัสนาจิตรวมเ่ามันมีแรงนะครูบาอาจารย์ท่านเรียกเป็นปฏิภาสลายให้ดูเนี่ยจิตท่งตัวเด่นดวงอยากำลังพอแล้วผ่านไป คบาอาจารย์รุ่นก่อนส่วนใจใดูมาวิธีนี้นะมารุ่นเราเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้กวนน้ำได้น้อยๆสมาธิไม่พอและจริตนิสัยเนะี่ยเป็นพวกคนเมืองพวกคิดมากอย่างโยมผู้ชายผู้เท่าคนเนี้เขาเป็นชาวนาวันวันมีเวลาว่างแนละ้นาเสร็จแล้วว่างมีเวลาดู ก, กายทําสมาธิอะไรเงี้ยมีเวลาเยอะ พวกเราวันวันนะรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาฟุ้งซ่านตลอดเวลานะกำลังที่ไปดูกายไม่มีเราก็ดูจิตเอาพระพุทธเจ้านะท่านจำแนกแจกธรรมเอาไว้เยอะแยะใครเหมาะกับกรรมฐานอะไรก็ทำอันนั้นต้องเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นแหละ คือสุดท้ายมก็จะปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งจิตเบื้องต้นก็เห็นหม่งเดียวกันนะคือเห็นว่าเราไม่มีร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอย่างโยมนี่เขาเห็นนะกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเขาเห็นเลยทำไงอีกทำสมาธิอีกหน่อยเดินปัญญาแล้วไม่เก็บเดินปัญญาไปนะ้วเก็บจิตกลับเข้าม า, าจิตจะได้ทรงพลังเนี่ พวกเราดูจิตดูใจไปการดูจิตดูใจก็ไม่ยากอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยเราดูจิตก็ไม่ใช่ไม่เห็นกายเห็นกายเหมือนกันแต่ไม่เห็นกายจริงๆอย่างเนี้ยไม่ได้เห็นระ บ, บุระเบิดอะไรก็บเขาหรอกคนภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยากลําบากอะไรเนอะแต่ต้องอดทน ต้องมีวินัยในตัวเองนะมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเรื่องสำคัญมักน้อยสันโดษสอนบ่อยๆพระต้องมักน้อยได้มากก็เอาน้อยโยมได้มากเอามากไม่เป็นไรแต่ต้องสันโดษหมายถึงว่าทำเต็มที่แล้วมันได้ผลแค่นี้เอาแค่นี้แหละ พอใจภูมิใจทำงานมาตั้งนานแล้วได้ผลแค่เนี้ยพราภูมิใจแล้วหรที่เราได้ทำพวกเราจะภูมิใจในผลใช่ัหมเราไม่ได้ภูมิใจในเหตุที่เราทำถ้าเราวางใจใหม่นะภาวนาอย่าไปคิดถึงผลมันเราภูมิใจที่ได้ทำเหตุทุกวันทุกวันอย่างนี้ดีที่สุดเลย ทุกวันได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ทำสมาธินะ ไ, ได้เจริญปัญญาทำทุกวันผลเป็นไงช่างมันแต่อิ่มใจที่ได้ทำและถ้าวันไหนไม่ได้ทำแล้วรู้สึกชีวิตขาดขาดอะไรไปเริ่มเป็นบ้างยังมีใครไม่รู้สึกวันนี้ไม่ได้สวดมนต์แล้วชีวิตขาดขา ด, ขาดอะไรไปไหมมีไหมขาดอะไรคนะ่าสติ <laughs> ถ้าไม่ได้ภาวนาเรารู้สึกผิดปกติไหมรู้สึกมันแปลกๆไม่คุ้นหาดใหม่ๆนะวันไหนมาภาวนานะแปลกๆเราไม่คุ้นภาวนาเราทุกวันทุกวันนะวันไหนไม่ได้ภาวนาขึ้นมามีธุระอะไรมากมายเลืเกินมีงานเร่งด่วนทำจนโต้รุ่งอะไรเงี้ยไม่มีเวลาภาวนารู้สึกแปลกๆใครมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างลนะมีไหม ถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะ ม, มันเริ่มเคยชินที่จะปฏิบัติแล้วยังเรามีความสุขที่ได้ทำเหตุใครก็มีความสุขเรื่องผลให้บมีอีกไปก่อนเดี๋ยวเราทำพวกเราเราก็มีความสุขของเราเหมือนกันทุกวันภาว น, นาหายใจไปรู้สึกตัวไปสวดมนต์ไปพูดถึงสวดมนตนะ์มีพระมาสอน มาสอนให้สวดให้สวดแผ่เมตตาให้สวดง่ายๆบอกไม่ต้องสวดยาวสวดยาวแล้วมันใจมันต้องคิดบางคนสวดยาวใช้อะไรนะเมตตาอะไรสัพพะโลกัสมิงชักลืมแล้วมานะสัมภาวเยอปริมาณหนังอุยาวคิดคิดนานนี่ท่านะไรบอกสวดสั้นๆ เมตตาคูนั่งอรหังเมตมตาเมตตาคู่น่งอรหังเมตตานะท่านสอนอย่างนี้นะเอ า, เาสวดดูดีนะจิตรวมสบายไปสวดเข้านะจำได้ไหมเมตตาคู่นางคุณของเมตตาอรหังเมตตาอรหังเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะอิทิปิโสภวะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธ นึกถึงพระเจ้าก็สวดไปพอนาไปผู้เจริญเมตตาเราทำกรรมฐานอะไรไม่เป็นเลยบริกรรมของเราไปหน้าใจมันจะเย็นท่านบอกว่าถ้าจิตใจที่เจริญเมตตามนะมีกำลังของสมาธิขึ้นมาไม่ตายด้วยศัตราอาวุธด้วยไฟด้วยยาพิษหน้าตาผ่องใส เวลาทำสมาธิก็ทำง่ายจิตรวมง่ายเพราะอะไรเมตตาเป็นกรรมฐานที่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะมีเหตุมีผลเวลาตายจะมีสตินะี่เหมาะ ก, กับกาลเทศะนี่มากเลยนะทุกวันนี้สัต์ราวุฒิมาจากไหนก็ไม่รู้นะจะเกิดจะพลัดจะผูจะตายนะตายยะงมีสติมีมีสติทำกาละ ยิ่งบริกรรมไป ใ, ใจมีกําลัง ใ, ใจเราแช่มชื่นเบิกบานนะมาดูกายมาดูใจเขาทางานถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูใจก็ดูใจดูไงดูกายให้เห็นกายมันกําลังทํางานอยู่ดูใจก็เห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไปแล้วเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ้อน โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภหายโกรธรู้ว่าหายอย่างนี้แต่ถ้าดูกายนัดูลงขณะนี้เลยกําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้ามีคําว่ากําลังกําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้ากําลังยืนเดินนั่งนอนถ้าดูจิตก็ดูโกรธแล้วโลภแล้วมีคําว่าแล้วหมายถึงว่าความรู้สึกเกิดก่อน เวลาเราดูไปสักช่วงหมดเนี้ยหมดแรงนะแล้ก็มาบริกรรมต่อจะบริกรรมพุโทโธก็ได้สัมมาระหังน้ำมะพาธาอะไรก็ได้นะหรือบริกรรมเจริญเมตตาอันนี้เหมาะกับยุคสมัยเพราะว่าตอนนี้คนไทยไม่ค่อยมีความเมตตานะโหดร้ายทารุณไม่ถูกใจก็าฆ่ากันอไย่างเงี้ยไม่เมตตาเรเจริญเมตตาให้เยอะๆสบาย เขารุนแรงมาเราไม่โกรธนะเราได้บุญของเราถ้าทำกาละเนี่ยเราก็ทำกาละอย่างมีความสุขรู้จักไหมทำกาละ <c oughs> ฝึกนะค่ฝึกได้มีของวิเศษติดตัวบางคนชอบเล่นพระเครื่องนะพระเครื่องหนังนงหนังเหนียวอะไรเนะ ครูบาจารย์เขาบอกพระหนังเหนียวทําง่า ย, ยาเศกพระเมตตายากกว่านะแล้วคลังกว่าด้วยคลังกว่าครูบาจารย์ส่วนมากนั้นหนุ่มๆนั้นะชอบเสกพระหนังเหนียวยังเลือดร้อนอยู่พอกแก่แล้วก็บอกว่าสู้เมตตาไม่ได้พวกเราเคยได้ยินชื่อหลวงปู่หงไหม่เคยได้ยินไหมเคยเจอไหม เ, ออเคยเจอด้วยนะเก่ง หาตัวท่านยากนะไมค่อยเจอหลวงปู่หงอเนั่นบอกว่าท่านไปเรียนวิชามาเยอะเลยแม้พอมาอายุมากเนี่ยโอไม่ต้องเรียนเยอะอย่างนั้นหรอกตามจริงน่าเรียนวิชาเมตตาพอละสอนลูกศิษย์ลูกหามีความเมตตาบางคนมันก็ไม่หญิงเอาละมีความเมตตาจะทํามาหากินอะไรนะคนก็ช่วยเหลืออะไรสบายกว่ากันเนยอะเลยงั้นพวกเราจเจริญเมตตาไปนะ จะได้มีความสุขมีความปลอดภัยบริกรรมไปเรื่อยๆลองทำดูสิบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาสวดไปสบายๆไม่ชอบเราพุโทโธไปะอะไรก็ได้เอาสัอย่างหนึ่งทำไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆ อย่าทำให้แรงนะอย่าทำให้ใจขมวดใจขมวดแล้วไม่เมตตาแล้วหน้าเป็นจระบอไปทำนะไปทำดูแบ่งเวลาไว้ทำนะเวลาที่เหลือก็จะเลริญสติไปอันนี้ได้สมาธิในสมาธิบริกรรมไปเรื่อยแล้วใจมันจะสงบเย็นลงเย็นลงนะคำบริกรรมก็จะหายไป คำบริกรรมหายไปร่างกายก็าหายไปด้วยนะจิตก็จะสว่างสบายโล่งไม่คิดไม่นึกอะไรเป็นสมถะกรรมฐานอันหนึ่งใจจะอิ่มเต็มกว้างขวางใจในขณนะนั้นใจเข้าสมาธิไปแล้วใจก็ไปจเจริญเมตตาของมันแต่ไม่มีคำพูดเ็นเมตตาอัปปมัญญากว้างขวา ง, วางไม่มีขอบเขต พอใจมันถอยออกจากสมาธินะคำบริกรรมมันก็บางทีแนบเข้ามาในขณนะนั้นเลยนะแนบเข้ามาตอนจิตลึกเข้าไปสงบลึกเข้าไปคำบริกรรมหายไปใจเริ่มถอยออกมานะคาบริกรรมกลับมาเลยนะมันแนบอยู่กับใจของเราให้ฝึกแต่พอออกจากสมาธิแล้วนะดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกาย ถ้าดูจิตได้เราก็จะเห็นจิตนี่สว่างสวัยจิตนี่กว้างขวางนะไม่มีขอบเขตจิตนี้นุ่มนวลจิตนี้อ่อนโยนจิตนี้มีความสุขอิ่มเ อ, อิบแทรกอยูนะ่แล้วก็ค่อยรู้ค่อยดูไปเห็นจิตมันค่อ ย, ค, อยค่อยเปลี่ยนนะจิตเริ่มหยาบขึ้นจิตเริ่มแข็งขึ้นอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลง ตรงเวลาที่จิตถอยออกมาจากสมาธินะให้รีบเจริญสติเจริญปัญญาต่อเลยอย่าทิ้งเปล่าๆแล้วจะเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงตอนจิตเข้าไปอยู่ในสมาธนะิสงบเย็นช่าถอยออกมานะเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเปลี่ยนแปลงนี่หัดดูของจริงๆนะดูของจริงแต่ถ้าเราเข้าสมาธิเข้าฌานไหนไม่ได้ดูอยู่ข้างนอกนี้ ดูอยู่ข้างนอกเลยไม่ได้เข้าทำความสงบเลยนะใจแห้งแรงไปหน่อยเรียกว่าสุขวิปัสสกะไปแบบแห้งแรงเพิ่งไปอ่านหนังสือเจอนะสมเด็จเกี่ยวท่านก็พาวนานะพาวนานะกนะ่อนนึกว่าพระปริยัตไม่ได้พาวนาพ็ภาเนาก่งเหมือนกันท่า น, นเคยไปงานสายลหลวงพ่อฤศี เขาจัดงานนีหม่นทันเทศทั้งก็เทศเากงาใครฝึกแบบมโนมายธิยกมือยกเยอะแยะเลยใครฝึกแนวอื่นมีไม่มีบอกฝึกมโนมิทธินะมันทำให้ให้เห็นให้รู้ให้เห็ น, หหหนก็เชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมไม่กล้าทำชั่วฝึกอย่างนั้นอย่างเดียวไม่พอนะต้องมาเจริญสติปัฏฐานด้วย บางพวกก็ทำสติปัฏฐานเลยไม่ได้ฝึกให้รู้ให้เห็นอะไรเห็นรูปนามนี่กนะ็เกิดดับไปวันนี้ก็พ้นทุกไปได้ถ้าเห็นโดนเห็นนี้ด้วยนะก็รู้ไม่กล้าทำบาปแต่ว่าพอจิตเชื่อมั่นในคำสอนอพระเจ้าเราต้องรีบมาเจริญสติปัฏฐานต่อมิฉะนั้นไม่ได้ของดีจเจริญเมตตาไว้น ะ, จะเจั้น วันนี้สอนวิชาเอาตัวรอดนะสอนวิชาเอาตัวรอดด้วยนะวันนี้ดูร่างกายมันทำงานดูใจมันทำงานพระใจเรามีแรงแล้วก็ดูกายดูใจทำงานไปนะอไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับกินข้าวก็บริกรรมได้นะ